ขอกลับเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าในชีวิตประจําวันนะคะที่พระอาจารย์ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเพศเออของบรณฑิตเนี่ยมีวิธีการเจริญกุศลนะคะในการที่จะน้อมนํามาปฏิบัติเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยพอเราพบเจอสิ่งต่างๆเนี่ยมีวิธีที่จะน้อมนาในการปฏิบัติอย่างไรบ้างเจ้าคะเอาหมายถึงข้อปฏิบัติของพระ ของพระเลยเพื่อชี้นําให้กับพวกญาติธรรมเนได้นะค่ะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้บ้าง ค, คือถ้าชีวิตของพระเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดน่าน่าจะเป็นเป็นรายละเอียดกลัวโยมจะตามตามอยากก่างเงินนหนึง่งคืออย่างงี้นะถ้าหากว่าชีวิตของพระนี่เป็นชีวิตที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนมากๆเพราะการประกอบในการที่การเดินกุศลพระนี่จะต้องเดินเอางี้นะว่า เอาแค่บินตบาตเวลาท่านจะไปบินตบาตเนี่ยแปลว่าท่านต้องไข้ครวนก่อนถือบาตรเอยหอมจีวรเลยเนเป็นกุศลศีลหมดเลยเพราะพระบรมศาสดาทรงบัญญัติไว้หมดว่าจะเดินเจตนาศีลเจตสิกศีลย่างไรจะทําให้กุศลธรรมเกิดขึ้นอย่างไรหอมยางไรเป็นปริมมทนปิดท่อนบนล่างอย่างไรเป็นกุศลศีลหมดแล้วท่านก็จะเกิดความปลามโมดกับการที่ท่านกําลังเดินอยู่ในกรอบของกุศลศีลบ้องการกิเลสตาคาโทสะโมหัด้วย แม้การแจอุ้มบาตรแม้การจะกู้บาตรแม้การจะเดินออกไปแม้การใช้สายตาทอดต่ำแม้การเดินไปบินทบาทแม้การรับอาหารท่านจะวางใจการอาหารอย่างไรถ้าราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นกับอาหารที่ตกลงสู่ก้อนข้าวหรือตกลงสู่กบาทนั้นเน่ยอาหารชนิดนั้นน่ยท่านจะไ ม, ทะไม่ท่านจะไม่ฉันท่านจะมีพระเดินมาหรือเห็นใครท่านจะกล้าบอกกับพระเลยท่านอาหารชนิดนี้ยังราคะ ความกำนังยินดีให้เกิดขึ้นในกระแสใจของกระผมผมจึงไม่สมควรกับอาหารชนิดนี้ฉะนั้นขอสละอาหารนี้ถวายแด่ท่านเป็นต้นนะเนี่ยนึ่อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าพลาเนี่ยจะเป็นรายละเอียดซึ่งญาติโยมก็คงจะลำบากขอเป็นข้อปฏิบัติของโยมนะว่าโยมควรจะปฏิบัติอย่างไรดีไหมอย่างนี้ดีนะฮะเป็นข้อปฏิบัติค่อนข้างนี <c oughs> แ้แล้วเรายิ่งพระเนี่ยข้อมูลท่านเยอะ เวลาท่านระดมระดมในการเจริญกุศลเนี่ยแปลว่าท่านระดมเต็มสูบท่านไม่ยั้งอะ่ะเพราะท่านกลัวที่สุดก็คือราคะโทสะโมหะมานัตใช่ไหมเพราะพระจะกลัวมากราคะความกําหนัดทิฏฐิความมินผิดมาน่าความเย่อะยิงดื้อตัวโทสะความกโกรธอิสาไมฉริยะกุกุจจะโมหะหิริกาโนะตะปะอุตจ่าความฟุ้งซ่านทีน้มิถ้าหดหูท้อถอยและวิจิกิจฉา พระกลัวกุศลธรรมมากเมื่อกลัวมากกระบวนการแห่งการเจริญทานศีลเจริญศีลสมาธิปัญญาท่านจึงยกพลระดมเลยในการเหมือนกับการพระจะคิดตลอดว่าเป็นสถานการณ์การลบพุ่งไม่ใช่สถานการณ์ปกติแต่เราไปคิดว่าชีวิตปัจจุบันเนี่ยเป็นสถานการณ์ปกติแต่ถ้ า, ามานี่อามาต้องประกาศภาวะฉุกเฉินในใจตลอดแต่อย่างยอมก็คงจะคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหม แต่พระไม่ใช่พระต้องประกาศภาวะฉุกเฉินคือจะไม่ให้กิเลสไหลเข้าใจอ่ะทีนี้ยมถ้ายมก็ตั้งห่างๆแต่ตั้งมนศิการตั้งเจตนาว่าหลับลืมตาตื่นขึ้นแต่ละวันยมต้องตั้งอัธยาศาัยไว้ว่าวันนี้ไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดไม่ว่าจะเจอสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือธรรมารมเจอสิ่งแวดล้อมใดๆก็แล้วแต่ เราจักทําให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นอันนี้คือตั้งหลักแรกทําได้ไหมอันนี้แปลว่าเจตนาคือความจงใจและตั้งใจนะตั้งใจไว้เลยนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจกให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นจกไม่ให้บาปอกุศลธรรทำมลามกไหล่ลาดลดกระแสจิตใจนับตั้งแต่วินาทีที่ข้าพเจ้าลืมตาตื่นนี้เป็นต้นไปแล้วตั้งแบบนี้นี้ประการแรกประการที่สองไม่หยุดเพียงแค่นั้น ไม่หยุดแค่ที่นั้นั้างสองก็คือน้อมจิตโอนจิตออกจากบาปน้อมก็หาบุญเพราะปกติเนี่ยจิต ม, มันมักจะชอบแช่อยู่กับบาปใช่ไหมแล้วก็ฝืนออกมาจากบาปเลยเหมือนเราเหมือนเราครบเพื่อนชั่วแล้วบอกไม่เอาแล้วนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราตัดญาติขาดเพื่อนกันก็ตัดชบเลยไม่ใช่ตัดแบบอะไรวอร์นะตัดจริงๆเราไม่เอาแล้ว ราคาโทรศัโมหะทําให้เรามัวเมามานานแล้วก็หักเหมือนเหมือนคนเลิกเหล้าเลิกบุหรี่หักดิบแบบนั้ น, นหักจิตออกเลยหักออกมาเลยแล้วก็น้อมเข้าหาความดีประการที่สฝึกจิตให้คุ้นเคยกับความดีเนืองนิดจนสามารถเป็นเพื่อนสนิทกับความดีได้อย่างแท้จริงประการที่4ก็คือพิจารณาอารมณ์ทุกอารมณ์ด้วยปัญญาถ้าทำสีประการนี้ได้ชีวิตก็เริ่มปลอดภัย อันนี้พอจะจับประเด็นได้ไั้ยอย่างนี้นรอบแรกใช่หมหนึ่งก็คือว่าตั้งเจตนาตั้งใจไว้ก่อนเจตนาที่ตั้งใจเนี่ยตั้งใจว่าวันนี้ไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดๆเนยสิ่งแวดล้อมใดๆนะ ซึ่งจะเป็นเหตุแห่งความสะเทือนใจหรือดีใจเนี่นะก็หมายความว่าเมื่อเจอเรื่องที่ฟูเนี่ยเรื่องที่มันดีเนี่ยก็อย่างนี้นะเหมือนเหมือนพรามณ์ที่ทํานาเหมือนพราหม์ที่ทํานาที่พระบรมศ า, าสด า, าเตือ น, นดูก่อนพรามเอกวัตถุกามเนี่ยเวลามันฟูขึ้นก็อย่าไปดีใจเวลามันพังทลายลงก็อย่าไปเสียใจธรรมชาติของวัตถุกรรมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ ให้รู้ให้รู้สถานการณ์มันจริงนะเหมือนอย่างเงี้ยโลกแผ่นดินมันจะไหวก็อย่าไปเสียใจหรือมันจะอยู่ปกติมันยังไม่ไหวแรงๆจงนนะ่ปกติมันไหวอยู่แล้วใช่ไหมแต่มันไม่แรงมันก็ไม่บ้านไม่พังก็อย่าไปเสียก็อย่าไปอย่าไปดีใจเพราะปกติวัตถุกรรมมันเป็นอย่างนี้แหละก็ตั้งใจว่าไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดจะให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นคําว่ากุศลเนี่ยบางคนก็สามารถขับเน้นกุศลสมานัต บางท่านก็สามารถขับเน้นกุศลที่เป็นอุเบขาบางท่านก็สามารถขับเน้นกุศลที่มีปัญญาและไม่มีปัญญาก็ต่างกันออกไปอันนั้นก็แยกแยะให้เป็นว่าจะให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นใครชํานาญกุศลชนิดไหนที่ดีที่สุดก็พยายามขับเน้นกุศลชนิดนั้นให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นคือตั้งใจประการที่2เลิกคบกับจิตบาปตัดญาติขาดมิตรกับจิตบาปได้แล้ว จิตที่ทำให้เราเกียจค้านจิตที่ทำให้เราไม่มีศรัทธาจิตที่ทำให้เราหลงลืมสติสภาพที่ทำให้เราฟุ้งซ่านแล้วก็ทำให้เราหลงงมงายก็ตัดจากเข้าไปหรือทำให้เราคิดไม่ดีทั้งหลายน้อมก็หาจิตดีๆแล้วก็ผูกพันผูกมิตรกับสภาพจิตที่ดีๆเข้าไว้จนเกิดความคุ้นเคยเนยจนเกิดความคุ้นเคยกับสภาพจิตที่ดีๆนั้นได้อย่างต่อเนื่องนี่ก็เรียกคุค้นเคย ประการที่เนี่ยประการที่สมก็คือทำความคุ้นเคยพอประการที่4ี่ก็เป็นผู้พิจารณาอารมณ์ด้วยปัญญาพอจะมองเห็นนะนี่4ี่ประการแล้วก็ตัวรอดได้ในสถานการณ์ทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอันนี้ที่จอามาตอบเนี่ยตอบตามคำสอนนะแต่มาอาจมาใช้ภาษาที่ให้ฟังแล้วอาจจะพอชัดเจนขึ้น ตั้งเจตนาไว้ก่อนว่าเจอสิ่งใดเลิกคบจิตบาปน้อมหาจิตดีทำความคุ้นเคยด้วยปัญญาคือการไข้ครวนพิจารณาคงพอสรุปได้ประมาณนี้